จะทำยังไงได้พวกเราอยู่ใต้ฟ้าฝนตกแดดออกร้อนหนาวเรารับได้ทั้งนั้นะจะทํำยังไงถ้าจะว่าไปแล้วกับประเทศเท็ประเทศไทยของเราก็รู้สึกว่าจะอุ่นกว่าปต่างประเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทุกวันนี้สื่อหรือข่าวเ อ, อ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 เอส่งขึ้นเครื่องอไปส่งขึ้นเครื่องคล้ายๆกับไปพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ญาติเพื่อจะส่งสิริละของท่านขึ้นเครื่องไปต่างประเทศพอขึ้นเครื่องแล้วหายเงียบแต่ละคนนี่แหละ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 นอกจากไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลว่าตายเพราะนั้นจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าเมื่อ25งพห้ปดปีให้หลังท่านก็ได้พบหลักสูตรขึ้นมาก่อนที่ไม่เกิดเพราะอะไรตัวไหนมันพาเกิดนยท่านก็ค้นคว้าศึกษาว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเชื้อพาให้เกิดขึ้นเล็กความโลภ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 มีแต่ความสุขความเจริญนะนะั่นแเพะพอเราศึกษาธรรมะและปฏิบัติต่อธรรมะไม่มีใครเดือดร้อนมีแต่ตัวของเรานท่นะะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร